ไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝากฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรั้วกั้นที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้จิความประพฤติกายวาจาตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วย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 เป็นหินโกโคกเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกตุกงแงตุงมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีกิตตภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงชี้แนะโดยละเอียดทีท่วนที่สุดนับแต่ขั้นห ย, ยาบ คือการที่จะทําจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขันอยากคำว่าอยากคือความยากของกิเลสที่จิดที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นเีืงามไปโดยลาดับกิเลสประเภทนี้จิตขวางมากคือความฟุ้งซ่านลาคาญความคิดปรุงแต่ ง, ตงปรุงแต่ ง, ต, ง, ง, ง, ต, ง, ต, งต่างๆ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 เพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระ อ, องค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะเป็นไปเพื่อความบุดพ้นโดยถ่ายเดียวสำหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอืน่นเพราะทางนี้เป็นทางบุดพ้นโดยทรง ผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวาสนาปัญญาพิสมพานมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องก้าเดินไปตามๆคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นการก้าเดินตามสายทางแห่งธรรม จึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกกาะฐานที่เวลาอิริยาบถต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหว เพื่อความผิดพลาดของอิตที่จะให้ออกนอกลูก่นอกทางแห่งธรรมนี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับปัญชาหนานแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่ครองพินิจพิจารณาแทรกกันไปนั้นมีหนักบ้างเบาบ้า ง, า ง, า ง, างสำหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรกส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนัก ตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยราวกับนักมวยที่ต่อยกันบนเวทีกระเผอไม่ได้มีระหว่างจิต ก, กับธรรมก็เช่นเดียวกันท่านแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นคือสมาธิธรรมส่วนถึงิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของจิต ให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดได้ละทุกยากลำบากในการตั้งสติสระจ่างยาถือเป็นอุปรสรรคเพราะนั่นเป็นเครื่องขีดขวางไ ม, ไม่ทำลายเครื่องขีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องขีดขวางนั้นก็คือได้แก่การฝ่าฝืน ความลำบากลําบนที่เป็นเรื่องของกิเลสปักขวากปากักหนามหรือจีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความส ะ, สะดวกสบายนั่นแหละให้พึงทราบไว้อย่างนั้นถือความมุ่งมั่นถือความหวังเพื่ออาจเพื่อทาอันเป็นจุดสำคัญของใจเราเหยียบย่งไปตามสายทางที่กิเลสปักขวากปากักหนามเอาไว้นั้น โดยไม่มีความสะทุกสถานต่อความลำบากลำบลความท้อแท้ อ, อนแอร์ความเด็ดหน่อยเมื่อล้าความทุกข์ใดๆก็าตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอเรียกว่าอปปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความบุกพ้น จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าปัญญกะปฏิปทาการนอนก็มีเรล่เวลาที่จะนอนเช่นมัจจิมายามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียร เป็นอิเดียาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นนอนทำํำช้ศาศาักซักอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของจิตเทั้งนั้นพอ <c oughs> <P ap ort> การนอนนั่นท่านกำหนดไว้สี่ชั่วโมงในมัตถิมยาม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 ในปฐมยามก็ประกอบความภาคเพียนด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างโจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนที่หายายาดนั่นแหละเป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่ได้นอนด้วยความประมาทนี่เป็นนับปรญญากัปฏิปทามีพระสูขในพระสูตร มียกมาเพียงย่อดๆในข้อการประกอบความเพีย่ยนมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่มีอยู่สี่ประการแต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความผาเพียนนี่แลขครั้งพุทธการท่านผู้ดำเนินเพราะความผุกพ้นจริงๆ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 ที่ท่านมุ่งมั่นไอแล้วไวแล้วว่าคือความพ้นทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะั่ด้วยเหตุนี้พระค้างพุทธการท่านจึงปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่านในเขาลำนาไพรป่าช้าป่าชัดในธรรมเนื้อมผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใคร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 เพราะความรักกับความชังนี้มีอนุภาพรุนแรงมากภายในจิตใจของปุตติชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจากมักผลผันธ์เนี่ความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตําราก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขา ทีว่ความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความปุผูกความเกลียดความเคียดความแค้นขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามตามกันมาในสถานที่ที่โลกเห็นว่าเจริญแต่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรง ประธานออวาทไว้ให้พระสงค์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลายการบาเพ็ญสมธรรมที่เกี่ยวกับความรักความชังความหึงความหวงความห่ว ง, ค ว, วงความใยควา ม, มโมโหโธโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศพิหายไปนั้นจึงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียว คือดเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวกอุ <c oughs> ยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความเท่าเกียนเป็นความสะดวกตามตามกันไปหมด่นในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นไพร์ตางที่กล่าวมานี้จะอยู่ในป่านั้นไม่มีไัยหมายถึงอันนี้เป็นไัยสสำคัญมากในเรื่องของสัตว์ร้ายเรื่อง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 ความระมัดระวังด้วยความมีสติและเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นยิ่งกลายเป็นคุณขึ้นมาด้วยความกลัวสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นทันทงไม่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ใ น, นป่าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านไม่ได้ว่า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 เพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆสติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียนก็ดีความขี้เกียจที่คล้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชันชัยขึ้นมาในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้ว เพราะการตั้งสติระมัดระวังใจยอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไหร่ยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทำให้คิดให้ระวังมากเท่าไหร่สติยิ่งดีหนาแน่ น, นขึ้นโดยลำดับลำดับความหนาแน่นของสติไม่ใช่สนาแน่น เพียงสติเฉยแต่เป็นโอชารสอันสําคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือนประหนว่าปุ๋ยคือโอชารสแห่งธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมามาได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วน้ำมัตตวังเอมมากมายจังนั้นเลยหนี่ ที่กามาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้ไม่ปฏิบัติเมืก่อนไม่ได้เข้าสงครามในลักษณะนี้ก่อนแล้วจะพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จะ อ, อะไรมาพูดแต่ขอให้ได้เข้าอย่างนี้นถึงจึงต้องขออภัยด้วยพูดพูดอเป็นคติตัวอย่างแก่เพื่อนฝูง <c oughs> นิสัยของผมเองนั่นเป็นนิสัยที่ยาก แต่ว่าคนอยากก็ได้ไปอยู่ในสถานที่ธรรมดาความเพียรไม่ค่อยดีไม่เห็นมีความเด่นไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะเพงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนี่แหละมันทําให้จิตใจของเราดีดดิน้นหาเหตุหาผลหาสะดุดตุดทำที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นภาน ใ, นใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้น คือที่กลัวๆวจึงต้องมักสะแสวงในสถานที่กลัวๆเสมอ ท, ทั้งที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัจฉริมหาศาลเราจรึงจำเป็นต้องได้สลับเป็นสลับตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิตจิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั้นเลยนี่แหละ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 จิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแนบอยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกว่ากลัวหรือจิตผิดปกติจากธรรมดาแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมาม า, มากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงับหน่งพะเราเดินจงกรมนี่ จะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปเลือกการสถานที่เวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่เด็ดเดดเช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงคมทั้งๆ ท, ที่กลัวๆนั่ น, นแหละได้เห็นเหตุเห็นผลกันเอาความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจาก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 ไม่ปราศจากเลยความหมายนั้นคือว่าไมายตายกับธรรมเท่านั้นธรรมคืออะไรคําบริกรรมนั่นแหละคือบทแห่งธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตที่จิตกําลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเลียนของตน <c oughs> เมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคําบริกรรมบางครับจิตไม่แยบออกไปสู่ อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้หน่ากลัวน่าหวัดเหี๋ยวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบุริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกําลังของอัดของธรมขึ้นภายใ น, ในใจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจอย่างนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกนักสติก็ติดอยู่นั้น มีความที่เคยวาดกลัวว่ากลั ว, ลวคิดออกไปสิ่งที่หาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวคิดคิดไปถึงอันใดคําว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิดหมดในแดนโลกธาตนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นแหละเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอิอัตตาเหตุตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้น ซึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามันคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัดนี่แหละการประกอบความภาคยันอันจึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนะ่ะแล้วไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียว เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชาวิเลจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้านตัวขี้เกียจขี้ค้านประกอบความภาคเพียรการตั้งรติสตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเพียรให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บําเพ็ญให้ได้ คิดหลายแีย่หลายทางเพื่อทันกับตนมายาของจิตเรศที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องพลิก <c oughs> หลายสันหลายคมเพราะมีความรู้สึกว่าสถานนี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้ หนูคิดว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยแล้วไปอยู่สถานที่เชนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ความภาคเพียสรสติจะตางตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเพียรและตามสถานที่นั้นมากน้อยอย่างไรก็เป็นการสั่งสมกําลัง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 ตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นภาคที่ริ้วหาละค่ํารหลักขาไม่ได้แล้วจะใไอสิ่งใดหรืออะไรจะมาทําอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือจากภาคที่ริ้วนี้ไปเลยนัดหยิบปอยลงถึงข น, นาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาคเลี่ยนความภาคความเปลี่ยนนี้ยิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเฉียบยิ่งแหลมนี่ คืออันหนึ่งเป็นผ้าที่ดีอันหนึ่งกับเด่นขึ้นเป็นทองทั้งแท่งขึ้นภายใ น, ในใจิตใจนี่นคืออุบายของการประพฤติปฏิบัติในที่พระทั้งหลายในครั้งบูตการท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมเจดีย์มากกว่าสั่งสงมธรรมสั่งสมธรรมในตํำรับตํารามีมากต่อมากนี่ได้ ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกําลังของตนและได้เข้าสู่แนวรบคือภาคปฏิบัติด้วยโดยเตลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความพักเปลี่ยนในพิษแพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการาต่างๆภายในจิตใจทั้งสถานที่ที่ให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนั้นแต่ก็มีความกล้าหาญฐานชายัย นี่ก็อยู่สบายคําว่าสมาธิคือ ค, อความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้วกลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวล า, าไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั่นแหลเหมือนประหนึ่งว่ามีอำนาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวๆนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทำลายจิตใจมาทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนักนี่เป็นความรู้สึกของจิตชวนที่จะทำลายได้ไม่ทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยื่อวุ่นวายมันจะเป็นการทาลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไป ทางตายนี่เ่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายชเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะไมา่มให้กิเลสมันมีมาแบ่งสั้นแบส่วนเอาไปได้เลยถ้าเราแยกระทางเป็นทางตายถ้าเผื่อเสือมากินจริงจร่ะเราสําคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงจิงจะว่าไงนั่นนี่สร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเอง ว่ายังไงตั้งแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่นแก้กันแล้วมีอุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดําเนินมาพาดําเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆ ใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอำนวยเห็นผลทั้งวิธีการดําเนินว่าถูกต้องแน่นยําจนได้ถึงเป็นศาสดราเนื่อคือได้จัดสรู้สังหารกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนําวิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดน่ะพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุด ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันเช่นเดียวกันในกา ร, การอยู่เช่นใต้ลุกขมูลคือร่มโพวิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดียวอาถารเอาถ้าไม่ได้ตัดสู้แล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตัดสู้แล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่ได้ตัดสู้จะตายก็ยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่ได้ตัดสู้ก็ต้องตัด มีตายเท่านั้นกล้าปรับสรู้เท่านั้นหนักสุดท้ายก็ได้ปรับสรู้ขึ้นมาเป็นงไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิตใจของเราสิแล้วว่าพุทธังสนังกระฉามว่าให้เข้าแทะให้จิตใจของเราซึมทราบเข้าถึงองค์แห่งพุทธะทั้งความรู้ของพระองค์ทั้งวิธีการดําเนินของพระองค์ให้มาแทรกภายในจิตใจของเราฝังไว้อย่างลึ ก, ลกๆอยู ทำท่านเกิดที่ไหนท่านเกิดขึ้นด้วยความเป็นอย่างนี้แหละไม่จะเกิดขึ้นอย่างอื่นแล้วละได้แหละทําไม่เกิดมีแต่กิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นโดยถ่ายเดียวนนี่สังขังฉลังกระฉามิที่ท่านตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านเรียก ว, ว่าได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันตบุคคลท่านดําเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขารแปดเท่านี้ เป็นเครื่องจำเป็นที่จะติดตามองค์ของท่านไปนะสิ่งจำเป็นอะไรๆก็ไม่เห็นท่านแสดงไว้ในัำพีในตำรับตำลามีสิบบริขารแปดเป็นสิ่งสำคัญมากสาหรับพระแภาษาของเราทุกวันนี้ก็พระเดินทุดงกรรมาฐานจะต้องไปพลุงพลังกับวัตถุสิ่งของเงินทองสเสบียงอาหารหวานข่าวเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทปริวัรได้อย่างไร ก็ผู้จะไปข่ากิเลสไม่ใช่ผู้จะไปสังสงสมกิเลสผู้หาความสบายให้กิเลสนี่สิ่งอันนี้เป็นเรื่องหาความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ทําไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านท่านไปอย่างเงียบเงียพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตำหักตําลาค้านกันได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงประนวดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าจะมีแต่ชั้นหน้าหมาดคนเดียวกับม้า ก, กันตะก่านิ้เท่านั้น จากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศิลป์ษาราชกุมารว่าเป็นกษัศัิย์เป็นเท ว, เทวดาหรือเป็นอนาณาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพสต์คนหนึ่งหรือนักบวชคนหนึ่งตามลัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจาในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทะนงพระองค์ ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ใหมาบาเพ็ญอย่างนี้คือกษัตริย์บาเพ็ญอย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระไทยเลยมีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความพาความเพียรที่หมายมั่นปั้นพระหัตต์ภาษาลาวว่าหมายมั่นปั้นเหมือนเอาจรเอาจั ง, เ อ, จ ง, เ, อจงเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันจริงอย่างที่ทรงบําเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านจน <c oughs> เห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึ ง, ถ, งถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยถึงถอยนันะส่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระไทยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยสิพระราชบิาพาพาเสด็จแรกนาขวานทรงเจริญอนาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระไทยมาตั้งแต่เป็นพระราชาปุมานนั่ น, น, นละ่ะท่านแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนะี่ย อึง่ในทรงดำเนินมานั่นแหละสัสดาแสดงพระอาการใดออกมาเรื่องเป็นพระอาการที่แทนองศาสดาหรือเป็นองศาสดาองศสา ส, สดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกสอนโลกไปโดยลําดับลําดาบเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุะพทธเจ้าพระอาการอย่งพระพุทธเจ้าทรงหลังสอนไว้แล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคํานึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ ไม่คำนึงอย่างนี้ฮารสิ่งที่เป็นที่มงคลแก่เราไม่ได้ทิ่เหล็กก็จะลุมรอ้อนกัดกินตัดกินปอดต้อไม่มีเหลือคนต้งคนตัดปอดไม่มีทีเหลเอาไปกินหมดนะปอดนั่นโลกก็ถือว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสําคัญอยู่ในร่างมนุษย์มีความหมายเราเป็นข้อเทียบเสียงแต่ที่เหลเอาไปกินแค่หมดนะแล้วก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมายแล้วมีคุณค่าอะไร หัวล้วนโคนชี้ใครทำมก็ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราเดงตั้งเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนามั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยและคําว่าสุขาตธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเดินและพระวิไยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอยากออก นอกลู่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพิจิตพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวากเรื่องนามที่กิเดสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเยียบความหยบนาบ้ําที่กิเดสปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือ ก, กวา่าความกว่าหนามมันออกแล้วก้าวไปก้าวไป คือฝืนอุปสรรคฝื้นความขัดข้องยุ่งเหยิงฝุดฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นที่ว่าเป็นกลมายาคุงกิเลสแสดงออกมานั่นแหละเดียกว่าเราปัดออกกวาดออกอันมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัท ธ, ธาเนะีฟังแล้วต่อองศตาตะยาฟังแล้วต่อมรุญปุณิยานฟังแล้วอย่างลึกวิยะเพียรเพื่อศรัท ธ, ธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั้นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลา ไม่มีละเว้นเลยคบ ว, ว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนา ม, มั่นคงของเหตุคือการดาเนินของเราไม่ให้โยโยกคลอนคลอนแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนา ม, มั่นคงของใจปัญญาฟังด้ปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทมเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดินเป็นเครื่องตัด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 จุดหมายที่เคยถูกตั้งนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเรานี้เข้าสู่หมู่บ้านตาดเนี่ยจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปเข้าไปถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านอันนี้ทางอย่างธรรมนี้ก็ทางเพื่อุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำอย่างธรรมจนถึงขั้นสูงสุดหรือมุดุดพ้นจะ น, นอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยดันั้ขอให้ทุกทุกท่าน ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่ความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่าง า, งามจนกระทั่งถึงสว่างกาะจ่างแจ้งเป็นโล ก, กับวิถูรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่ค้องไม่คาอะไรทั้งนั้น น, นี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้ว ในเพศแห่งนักบวชนี้เวลาเวลาก็อยู่กับที่ทใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาปเป็นเวลาเวลาให้ดูขณะหรือเวลาเวลาที่เกิดมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหนต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นตรงุตรงปรุงแยบออกแล้วก็เพื่อแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันกระเพื่อม เราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรอะไรมันไปวาดไว้แล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไ ป, ไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเฉยใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนี่มันออกจากอะไรจุดหมายจุด ท, ท, ที่เกิดเต้องต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนนี่สิทัศนติของเราไม่ทันเวลามัน วาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราจึงได้เห็นเห็นไปเห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้เนี่ยถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วยังไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเลยพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับฝืนวาดไปไม่ได้เพราะสติเนียมนานมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขาร น, นั้นถ้านเรียกสังขารสมุทยัยปรุงไปเพื่อให้ติด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 ท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นัไม่ทานุ่มๆรอนๆซุมสี่ซุมห้าเนอศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทํำยังไงมันน่าสลดสังเวชนะศาสนาเป็นทําเลเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นยังไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากละมันมีเรื่องอัดเรื่องทำที่ตรงไหน ถ้าบว่ามีเรื่องอา่านเรื่องทำว่าเป็นการบูรการกุศลที่ตรงไหนก็นั้นแหละที่เร่อปตีสลาดอยู่ตรงนั้นหาจิตวิญญาตรงนั้นเด่นในตรงนั้นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอ ย, อย่างหน้าด้านทีเดียวทีนี้น้าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของผู้ได้เจ้าจริงแล้วไม่มีงานอันดื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานชำระที่เด็ดในเอียาบทต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพลินเพื่อชำระที่เด็ดโดยถ่ายเดียว แม้ท่านผู้สิ้นีิเลสแล้วท่านอยู่ด้วยความเป็นนิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยาสัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่หยุไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันในยิหารธรรมในทิตฐธรรมเท่านั้น คือเวลายังทรงท่าสรงขันอยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพียรเวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานท่าขันท่านก็ใช้เวลาท่านจะระ ง, งับขันของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธรรมก็ได้ลงสู่ความสงบพักขันท่านก็พักของท่าน<อ>นี่แหละที่ว่าประกอบความเพียรเวลาใช้ขันท่านก็ใช้เวลาพักขันท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่ตรองตงึงแหนะอัดแหนะทำต่างๆลึกตื้น เอียบนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่จองของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรตามอาชีอาศัยของผู้สิน้นเกศแล้วทั้งนั้นเราไม่สิน้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทาความเพียรหาอะไรนี่เรากท็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วทั้งไม่รู้เรื่องของท่านที่เป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ ถ้าเราอยากรู้เราก็ทําตัวของเราให้สิ้นกิเลสไปตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเลสแล้วที่นี่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรท่านลุงท่านเองอ๋ออย่างนี้นอ๋ออย่างนี้อนี่งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านทําเพื่ออะไร นี่ก็ไม่ต้องถามวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละท่านพิจารณาธรรมะควรจะพิจารณาทำลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดสิพิจารณาอย่างพระกสปะซึ่งมีลักษณะค้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความยุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนพิมีพิจารณาเรื่องจิตตุเรียวกว่าจิตตุปาฏิยาน จนถึงกับระพุริจ้าท่านมาเตือนว่ากสปะอันนี้เป็นเรื่องของเราตถาคตท่านว่าเกระสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าใ น, ในคำพูดบอกไวนะ้แล้วสิ่งนี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาะนะอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคต คือพระกสสป่าท่านพิจารณาไปเรื่องคือถูกปฏาฏายาของจับทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปกระทาให้เพลินไปเพลินไปนั่นน่ะพระพุทธเจ้าถลารับสั่งให้เตืนอนปุ่น์ยางไงให้หยุดเชียรเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันกลับไหนกันไหนนี่จะพูดภาษาของเราอจะเอาประมาณได้ยังไงมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้น แล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอาํานาจแห่งกรรมพักไสให้ไปนี่ยแล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดน้ำบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตาแล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับและกรรมมีกรรมชั่วก็เป็นเครื่องผลักไสสัตว์ให้ไป ในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจงเกิดได้ตายได้ตกทั้งโกหมู่ไม้เป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่ครับงกี่ครันแล้วมันไม่จะเป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไรที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานขนาดนั้นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ ถ้ามาย่นวัตตะเข้ามาด้วยการชำระกกิเลสตางกิเลสอันเป็นตัวสำคัญให้พาภพชาติยืดยาวย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลมันย่นเข้ามาจนถึงขั้นจิตตพวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังพระสาวกท่านดำเนินนั่นท่านประกอบความเพียรนั่นล่ะคือท่านตัดวัตตะย่นเข้ามาจนถึงกับขั้นอรหัตบุคคล เมื่อบรรู้ถึงขั้นอาหาต่บุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกิเลสไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดจากนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราเลยเราก็เป็นคนคนหนึ่งทรงธรรมของมือเจ้าธรรมของมือเจ้าก็ไม่ลําเอียงด้วยเป็นส่วนขาธรรมด้วยตราบไม่ชอบแล้วขอให้พยายามดําเนินตามธรรมที่ชอบนั้นเถิด จิตใจของเราคอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันพอแล้วทําไมจะไม่ดีถึงจงนถึงขั้นดีเลิศได้เราต้องดีได้ดีเลิศได้ไม่สงสัยขอให้กล้าเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอาหนเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่ความรู้ของพระอาหนท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ความรู้อันนี้มันมีแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะลอ หุมห่อไปหมดก็ดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้งนั้นนั่นว่าจะด้ยินได้หูได้ดูด้วยตาได้คิดทางจิตทางใจมตีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสหุ้มห่อเลือกแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัดเป็นธทำนั่นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบี่จะทราบได้ตามกําลังของเราเช่นเป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบเนี่ย สงวบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในะขั้นสมนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ทั้งทำเป็นอย่างไริีที่มีความรู้แฝงทำเป็นอย่างไรถ้ า, าไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องทำเข้าแทรกบ้างเลยนั้นอย่างไรก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะหาตัวจริงอะไรจากความรู้ที่เป็นกิเลสได้เล่าเท่าไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่ ความรู้ของเราท่านท่านที่เป็นผูุ้ชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรุ่งพระรหารท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไม่ไมว่าความยุ่งเหยิงุ่นวาอันเป็นเรื่องของเจรียที่หนาแน่นแจ่มฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นฟังซิด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นมิมุติพุนแล้วที่นี่จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเจือปน นั่นแหะท่นานความวิเศษวิเศษตรงนั้นจิตของเรานี่มันเจือปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่จีเลสจะไม่ได้ทํางานที่จีเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจลวงนั้นน่ะมันปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตความจริงย่างไงนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังถุดยังลากไปสู่อํานาจทังมันสาปโลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของจีเลสนั่นแหละ ปิดได้แล้วก็ถุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเนื้อมันมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปลากไปเมื่อปฏิบัติธรรมทำ ม, มีความฉลาดมากน้อยเพียงไรก็เห็นเน่้องอนกลมายาของจิตเดเรื่อยไปแล้วแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยๆเรืๆตั้งแต่สมาธิจุดไล่เิตเดเข้ามาตล่อมสู่จุดปัญญาคลี่คลายมาฟัดมาตีมาทาลาย แหลกไปแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหรลือด้วยอํานาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันมีอะไรที่จะเหลือลหละกคเลเหตุจะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะแบบนั้นแต่มันไม่มีสักเท่าไหร่ถ้าลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนั่นจะมีแต่จอมกษัตริย์วัตถจิตโดดเดียวคือวิชาที่แทรกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหากิบหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ ทนี้พออวิชชาปีญาสังคาราซึ่งเป็นตัวกษัตริย์บวัตจักรที่อัจฉลาดแหลมคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นมีเสียดีสูยยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามเดือนโลกธาตุนี่จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้องคือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความเหนือแล้วเหนือแล้วท่านเดียวโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลย ถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะจะจะย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสูอันนี้นี่อ้ายก็เหมือนกันกันกบโมดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกจับพวกนอนต่างๆที่มันเต็มไปหมดในช่วงในฐานด้วยคนที่มีสมบัติผู้ดีใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตของท่านถึงขั้นพระราษ า, ารแล้ว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 คุกเข้ากันมานานเท่าไหร่กับจิตดวงนี้คาดจะบ้านไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นนั่นแหละความรู้ของท่านแม้ทรงธาตทรงขันอยู่ก็ตามขันก็เป็นขันธาตุเป็นธาตุท่านก็รู้อยู่เป็นของใครของเราบางครับให้เข้าถ้าเข้ากันก็บังคับไม่ได้เพราะเป็นอัถานะแล้วระหว่างวิมุตติกิจกับสมมุตมนั้นต่างกันอย่างนั้นนั่นทีนี้ใครล่ะรู้แบบของท่านอย่างนี้ใครจะรู้ มีแต่ให้กิเลสมันก่อมมีตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีสุดท้ายมันก็ไปตำหนิเรื่องสิ่งที่มันไม่เคยเห็นคือทำอันเหนือโลกคือโลโกทธรรมโลกุทละจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของกิเลตนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอ้ตัวอวดที่สุดตัวยิ่งตัวว่าดีว่าดีที่สุดก็คือกิเลสไม่เห็นนี่พันดีมาดีมันก็หลอกอีกว่านี้พันไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิแล้วอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลส มีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งานเท่านั้นที่เดชได้ปรุมขึ้นมาแล้วเป็นติดเป็นติดเป็นติดเราฟังช่พี่นายด้วยถึงตรงนี้เราเคยเป็นเคยติดมากมากกับมากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันไหนล้วเราจืดเราช้างได้ที่ตรงไหนเราเขียนเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเทรนของกี่เดชไม่เต็มมาเทียบสิโน่นจนกว่าเราได้อัดได้ทําขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่เป็นมาไร้จนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนจะว่าแต่ ชวนเป็นบ้าหรือเกิดเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่ อ, อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทําให้จนถึงขนาด น, นั้นตา่างวิธไม่รู้ต่อเมื่อในธรรมคือความสงบใจได้เกิดจิตสงบสเข้าไปนี้เริ่มเห็นแล้วนี่เนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วภาพหน้าของของสมาธิหรือขอ ง, ของสมถตาธรรมสงบอย่างนี้เที่ยวกันปั๊บได้เลย คามฟุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างทำทั้งระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั่นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเทียมหรือเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่ต้องวัดต้องตวงกันเทียบเทียงกันคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่กลของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ ไม่เคยรู้มาขี่กลับขี่กันก็ตามเถอะเมื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะเฉพาะสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแต่แท้ทำไมจะไม่เห็นจะไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแต่แท้ทำไมจะไ ม, ไม่ไม่ละไม่ปลอดไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทษแล้วยึดไว้ได้ยังไงก็ต้องสลับปั๊วเดียวเท่านั้นเองจนก็ะทั้งขาดทางทรางไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทําไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลส เต็มถ้าวัดรยเอร์อเ็มื่นเปอร์เ็ก็เต็มหมื่นเปอร็นต์นี่มีอะรเห็นหมดเพราะได้ได้สังหารมันเรียกพู้ทธไปหมดจากใจแล้วที่นี่จใจไม่มีกิดเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่อ่านั่นความรู้ที่ไม่มีกิเดสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีคิดเลสเราเคยทรงมาพอแล้วที่นี่ความรู้รู้ที่ชที่มีกิเลสแล้วเป็นยังไงเมือ่อมันได้ปรากฏขึ้นในหัวใจดวงที่เคยเป็น ส่วนเป็นฐานของกิเดียวมาประจำนี้แล้วแล้วสิ่งเหล่า น, นั้นหมดประจากจิตใจเหลือดแต่ทำทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรนั่นนี่คือที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงพระทัยหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี่มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่แค่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดาเรื่องความเป็นโทษของสันเป็นจริงๆสัตนไม่รู้ท่านก็รู้สันไม่เห็นท่านก็เห็น ไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากันอยู่องนั้นหาทางออกไม่ได้ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออกเอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุดที่สายตายแต่แล้วก็ตายผู้ที่ยังพอที่จะะเกียจตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้หนั่นไฟไม่บ้านไม่เรือนไม่ผู้ไม่คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่ละเรื่องของจิตเดชันหาอาสวะมันไม่สัดโลกเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ตายได้ไปได้ไ ในประเภทของพวกอุกติเตณูวิปภีเตณูเป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยาผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไ ป, อ ย, ไปอย่างนั้นนี่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนอยู่เฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาเพราะท่านไม่รู้ธรรมดารู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงบัตย แต่ว่าโลกธาตุบั่นหมายก็ได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าจาจ ะ, จะรูจะผิดอะไรไปทำสารเดินโลกธาตุนี้จะไม่หวั่นยังไงอิดดวงนี้กระเตือนกับสารเดินโลกธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้วทำมาจะไม่หวัน่นทำไมยังไม่กระเตือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระทัยที่ขาดสะบั้นกันระหว่างที่เด็กกับกับอิดที่บริสุทธิ์นี้ขาดจะบั้นจากกันทําไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยขาดเกิดสรรนี่ะนั่ใช่ธรรมดาน ทีนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่ได้ค่าข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้ประหลาดกับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงแต่เราไม่ได้เป็นประหลาดนั่นเลยผู้จะเท่าไหลายมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างไง ให้ท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรแล้วถามท่านอะไรมันก็รู้เองระหว่างขันธ์กับจิตมันมีความจําเป็นต่อตนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นประหารแล้วทาไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันต้องรู้แน่เนี่ยเรื่องบอกอย่างชัดๆแล้วไปจะไปถามทําไมถามผู้อื่นไม่ถามแล้วมีหมื่นมีแส น, น, นก็เหมือนกันหมดเป็นสารที่โกในระหว่างขันธ์กับจิต ที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะภาคจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายคุณยังไงท่านเป็นอย่างนั้นทําเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้ขีเดียมันคืนเอาคือเอาเานเอาตลอดเวลาในยอวบททั้งสี่มีถึเรื่องที่เดียมันคืนถ้าเราขีเดีดมีท้องเนะี่ยมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะ พอมันกินถ้ามากกับมากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินผงของภากคมะถานเราเนี่ยนี่จะความขี้เกียจขี้ค้านก็คืนเน่าเสียอะไรจะมีแต่มันคืนเน่าเสียสติสตังหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้มันบ้างไม่มีเลยทํายังไงบวชเป็นพระเป็นเมนุว่าจะบวชเฉยฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดแหลมคมของทิเดศ ถึงขนาดนั้นเลแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะถอนจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่เหมือนกันเราไม่น่าคิเดี๋ดจะเรียกขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือทําได้เลยเพราะฉะนั้นทำนี้ที่เรียกว่าโลกจะทำ จ, งจึงเหนือคิดเดี๋ยวนั่นเองโลกกโลกของผู้มีกิเลี๋ยวนั้นไม่มีคิเลี๋ยวมาเกิดเป็นโลกได้ไงพวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกอันนี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั้น ทำไม่เนือนี่จะเห็นสิ่งนี้ได้ยังไงเอ้าให้มันชัดอย่างนั้นเละพอสมควก่การแสดงไปต่ปนี้เหนื่ยอยหัวใจ ช, ชอบกวอยู่ก่อนมาฉั้นต้องคอยให้ยากระจายแล้วก่อนเวลานี้ยังดีกว่าเวลาก่อนเทศนะในนั่นแหะเพระยาเนี้ยเข้าไป แทนที่เทพส่วนตรงนี้มันจะเหน่อยมันกลับไม่เหนื่อยนะก่อนเท่แต่เหนื่อยมากกว่ามันเป็นลายมืโอ้เาจะเป็นเนี่อยภายในในี่ขัปุ่นเนาะวาดภาพดูก็ก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูภาษาวกความเป็นอยู่ของภาษาวกท่านท่านอยู่ท่านบำเพ็ญปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พายู่เนี่ย ไปอยู่ไหนท่านท่านหาอยู่อย่างนั่นนี่อาหารการขบขันถ้าไม่มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรประตมพ่อฉันอย่างชี้ได้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอแล้วอาหารถ้าหาว่าเราจะเทียบอาหารของท่านกับของพวกเราเนี่ยโอ้เป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาตุ้งแห่งนี่เป็นยังไงอาหาร ไม่ว่าท่านมาเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่ไม่มีอะไรเลยกับอาหารยังชีจิตนี่เป็นไปเพร่ะมโะคิดไม่อยู่กับธรรมนู่นแหละไม่ไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้เขาอยากขาดแคลนแล้มันไม่สนใจเลยพอพ้อยมีลมหายใจเถึงเท่านั้นแหละเอออย่านี้เองมันถึงได้หาที่อย่างที่ว่าหาที่จะเดือด การกินก็เด็ดฟันมัจะเข้าเป่ามันเคยจะยิ่งกว่าเคยเรา น, นอกจากนั้นยังไม่กินหมิ่งลำบากนั้นก็เราจะเทียบถึงพระในคีโตนอนชีวิตค า, า, ารวาสก็ยากไปแบบหนึ่งแต่แต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่น เรียนหือก็เอาใจมาสรั่งถึงสมองทื่อเป็นไปไกลไปจะว่าเราจะเป็นว่าเราจะเป็นบ้าเขไม่หนับไม่นอนมันกระือสมองขพอความจำก็ด้ยวยฉะนั้นอันนี้มันมันไม่หนักห่วงท่วงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงจริงอันนี้เรียกว่าจะลืมไม่ได้ว่างั้นเลยการประกอบ หรือการทำความเพียรโดยสังหารกิเลสมันขนาดนั้นเลยมันเป็นมันเป็นจุดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดคืองานฆ่าสิเลสในชีวิตของเราเนี่ยมันชัดติดตลอดนม้แต่แสวอยู่งั่นหลยบางย้อนไปข้างหลังนี่โอ้หน่ากลัวเนี่ยจะทาไงมันเป็นจริงๆคือถ้าขันทุกวันนี้มันไม่เอาไหนแล้วที่นี่คิตมันก็ไม่เอาไหนงานความมุ่งมั่นนี่ ทุกวันนี้มันไม่มีก็บอกไม่มีความเพียรไม่มีก็บอกไม่มีทุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนไเพียรรักษาธาตุขันตอมันก็พอแล้วเนี่ยันก่อไม่เป็นอย่างนั้นเลความมุ่งมั่นมันก็ล้นหัวใจนู่นนะไม่งั้นมันจะไปกําลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ยังไงคือความมุ่งมั่นเนี่เป็นแม่เลยสำคัญนะดึงดูด อันไม่ใช่ความมุ่งมั่นธรรมดาซะด้วยจะให้เป็นจะว่าบ้าก็บ้าแลว้วพูดเราในวงเราเองจะว่าบ้าก็บ้าบ้าละหนก็มันมุ่มหงหับละหันให้เป็นพระหานเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดอย่างไงก็ตามเป็นก็ตามแต่ตามจะขอให้ได้เป็นพระหานเท่านั้นนั่นนเงินแน่ใจในทำทั้งหลายแล้วตาพ่อแม่กูจานทร์มั่นนี่ที่ทานเหมือนกับว่าถอดออกมานหนี่น่กเห็นไหมตาบอดอยู่ดี มือนก็ท่านเรดาร์ท่านจับไว้เราไว้แล้ว้งแต่เราจะไม่ไปหาท่านความรู้สึกงเราที่คิดได้ไงนะท่านออกมาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่สิมนเป็นอย่างนั้นถึงใจกับท่านแล้วทําไมมันจะไม่ถึงธรรมไปฟังแลโอ้โหโอโหโ้โหมาลงใจนั้นลงขนาดนั้นโอ้โหมหัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่ลวงพ่อนี่ยผ่านมดปัญหาไปเลยว่ายังมีไม่มีท่านประกาศแปางๆออกมาจากนี้ซึ่งตปนสิ่งที่เห็นหรือว่าท่านเราแม่ ยิ่ด็กจะไม่ขี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่ในในอา ד ยศัสตร์ออ ก, กาศตัง้งตั้งมันเหมือนด้วยเห็นไม่นีน่เห็นไหนมตูม้กระตามแต่ก็เลยครับท่านถามมันฟังแล้วถึงใจเมื่อถึงใจแล้วมี่ความมั่นที่ความหวังในเรื่องมระผลธิพานที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบัน้นไปหมด ทั้งที่มีกิเลสอยูน่นะมันขาดไปหมดเรื่องสงสัยว่ามืคนนี้พานมีด้วยหรอ่ต้องลงในจุดที่ว่ามีแค่จุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นคือความมุ่งมันม่นเป็นพระหรหัสนั่นแน่เดียวนีนมน่มันบอกเป็นวความเพียรันกมมันดึงความเพียรในหมดแล้วทุกสิ่งทอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระหรหันความมุ่งมั่นนี้ดึงไปหมดเลย มีอำนาจมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทุกอย่างอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอขอหนุนคอให้ถึงคิดด้านหลังถ้าธรรมดาเราได้แล้วโวมันน่ากลัวยริงๆโอ้ยงั้นทำหน้าแต่คิดดูที่อย่างนั่งอย่างก็ต้องก้นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยอซูกว่านี้ไปนั่งไดยเพียงนั่งชั่วโมงนึ่งก็ได้จับขาจาของดึงแล้วผมกว็ไจะพูดหูเพื่อนฟังเนี่ยท่าแขนอนี้น่ะเคยใช้มา นั่งสักกี่ชั่วโมงฟาดมันแต่บางวันตะวันยังไม่ตกจนกระทั่งตอนโถขึ้นมามันกี่ชั่วโมงฟังสิมันนั่งได้มีคำว่าพลิกว่าเปลี่ยนเลยความสัตย์ความจริงมันมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจรินี่สายเราบอกแล้วมันไม่ได้รอแหลมอะไรงเป็นที่จริง แล้วก็บางอันนกับางวันถ้าวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ทะลุมาไหนลุ่มยากมันตามมื่อเล่นก็จะจับดึงออกจังว่าจังคือเขาเล่ากันฟังถ้าวันไหนมันลงง่ายลงง่ายได้แป้วได้แป้งนี่วันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันเท่ากันยู่ที่จิตว่าจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับชิมปากมันคมคมเนี่ยพอจับงับติดแั๊บเปล่ยติดแป๊บเลย ปัญญาพออย่างหนึ่งป้าเหมันได้ความได้ความมันมาแล้วก็พุ่งพุ่งแล้วเ ป, ง ป, งปิงลงนั่นเปิงลงก็หมดปัญหาเวทพาณอะไรจะไปเข้าครอบมันได้จิตมันเข้าเป็นอย่างนั้นแล้วพิจารณารอบแล้วค่อยลงค่อยลงมันเวลาไม่รอบที่มันฟาดกันอย่างนี้ซิมันทุกตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายา ก, กามันมีถ้าตอนรับพิจารณาเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะ ผมมีสังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดลุงนถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโอ้ห้วันนั้นยากมากนะ่จะเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยนั่นที่มันถึงบอกบอกทํามากว่าดตั้งแต่หัวค่ำเดินมาทั่งเที่ยงคืนกินถึงลงกันไม่ได้เลยอะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอากาศอ่ะฉถ้าเป็นวันไหนให้มีฝนพรําโอ้โหวันนั้น่ะ เย็นมีน้หนาวหน่อยเย็นๆหน่อยเอาละ น, นจับติดปับป๊บปับป๊บปัปัุ๊่งเหลือปับ๊บพุ่งพอได้เวลาที่จะออกนีก่ลูกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะที่เรานั่งภาวนาท่านนั่งเวลาเท่ากั น, กนแต่ความบอดช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากจิตพาให้ผิตจิตลงยาก บอกช้ำร่างกายมากกินล ง, ง่ายร่างกายธรรมดานม่มบอกช้ำอะไรผมเหมือนกระดูกแคแตกกันอยนี้มันทําได้ฟังสิทุกวันนี้มันทําได้ไปนั่งชั่วโมงเดียวนันั่งเพราะนาทุกวันผมนั่งในนานเมื่อไหร่มันนั่นเป็นท่าก็อบอกว่เป็นท่านี่เพงชั่วโมงนี้ชั่วโมงกว่านี้หน่อยอกลุกออกมาไม่ได้แล้วนะต้องจับขาดึงออทุกวัน ก็ไม่เห็นเจ็บเหนปวดนะเวลานั่งภาวนาเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรนั่งคัสมันภาวนาพอถึงเวลาออกมามันออกมาได้มันแต่มันไม่ถึงกับว่ามันตายนะมันชาหมดไม่ถึงกับมันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดุ่อนนั้นมันตายจริงๆนั่นหายเงี้ยมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเจ็บไม่ปวดละมันมันหมดจริงๆอันนั้นมันตาขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตามันชาเน้น ตับขาออกมาวางมันมันจะช้างมันคือมันเยียดออกหน้าด้านทุกวันเนี่ยไม่นานนะขาเนี่ยสําคัญข้างขวาเนี่ยต้องจับขา ด, ดึงมาวางไว้แล้วทีนี้เดือดลมค่อยไปแล้วกความชาก็ค่อยจางไปจางไปแล้วก็เราก็ลุกไปแล้วถ้าเราจะลุกออกทำไมาลุกออกก็นั่งนั่งเสียนี่ เพียงเทานั้นมันก็เป็นเป็นไปได้ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นมันไม่น่ากลัวย่างไงเ้าหมายที่เราพลาดจิตใจขงเรามันเป็นจิตใจที่ขาดผลมากนี่ไม่ธรรมดาเราหวังอย่างขนาดนั้นหวังอย่างแรงกล้ามี่เอาตายมอบเลยนี่มันเป็นเท่นั้นนะทายมันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องขาดผล ลงดาวีิีส์เขาแรลเลยขนาดนั้นแล้วมคือถึงเรื่องปฏิปทาการนำเนินนามาเด่นเวลาออกปฏิบนะัติเนี่ยเด่นเอาอจริงๆเรียนหนังสือก็ธรรมดามเหนงทุกข์จากลำบากขนาดนั้นเพราะปวดมากก็เรียนออกอย่างนั้นก็ออกปฏิบัติ ชีวิของพระไม่มีเท่านั้นอย่างนี้พูดไปฟังดูในช่วงเก้าปีที่เราฟักกันกิเลสมันไม่มันเหมือนกับว่าเหมือนกตามีก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะหูมีก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> ใช้ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยนะั้นมันตัดขนาดนั้นนะไม่ยอมดูหนะินมันจะอยากขนาดไหนก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอยากอะไร มันพลาดกันอย่างนั้นนะยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นอ่ะเพราะฉนั้นพิงว่าอะไรดูอะไรฟังอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาอย่างบอกคือมันมีสิ่งที่จะคอยกําเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสที่มันสังหารแล้วก็วมันจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นัน่นก็ไม่ลืมหไม่ได้ลืมหูลืมตาเต็มไม่ต็มเลยอย่บอกในระยะที่มันใช่มันเป็นภัย หนักนะในช่วงอเก้าปีที่ว่าเก้าปีเต็มเต็มหนักมากนี่ที่อาการที่หนักมากหนักตรงนี้นะหลังจากนั้นมาแล้วเราก็ก็ย้อนควาพันมาแล้วอย่างเช่อนอย่างอาหารนี่นี้หรอตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็มาดอดเนี่นอกจากว่ามันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยอ่างนั้นก็ไม่ใช่เราแก้งอดเพื่อความเพื่อความเพียรอะไรเราอดเราไม่ฉันเฉย แม้ถ้าฉันไม่ดีวันนี้ไม่ฉันแล้วแม้แต่อยู่ในวันนี้ก็ยังมีเหนอย่างโลกหัวใจกันเรื่องมากบางกีผมไม่มาเลยไม่ไม่ลงมาวินิว่าไม่ฉันมีอยู่นี่อยใช้ฉ่นี้ไม่สบายกัไมั่อยู่ถ้าวินิจว่ารมาฉันไม่สบายก็อยไปอยู่เนี่ยรูปมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเอาจริง ในขัง้งพุทธ ก, การตัางกต่ บ, บอกไปปฏิวัติสีนี่ก็ปฏิวัตานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บําเพ็ญนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์โลกคุณจะง่ายเึ่นเช่นพระสุขาปฏิปทาขี่ปลาติญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเนี่ยก็พวกอุกติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนสุขาปฏิปทาที่ ป, ปาติญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว ทุกข้าวปฏิปฏาทาคิดปาปิญญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วนั่นคือลาบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วนี่มาอีกสองปฏิปทาหลังนี่ทุกข้าวปฏิปฏาทาทันตาปิญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าข้าวทุข้าวปฏิปฏาทาทันตาปิญญาดีไหมปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า ทั้งปฏิบัติลำบากทางรูด้วยช้ามัเป็นพักเป็นสีนั้งผมลืมๆืมละนานไมไ่มันก็มีปฏิวทาสีอันนี้ผู้บำเพ็ญก็มีสัยกับอยู่กับแต่ละคนนกคนจะเหมือนจะผิดกันลายกับมีสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วไปผู้ช้าผู้เร็วก็มีอย่างนั้นช้าอย่างนั้นก็เหมือนตาน้ามีตื้นก็มีอยู่ลึกก็มี เรื่งานึ่งมันซาตานมันบอกว่าเป็นเบียดหนึ่งที่มันไม่ถอยในในเวลาบำเพ็งนี่ไปเด่นอีกิีหนึ่งก็คือจิตเสื่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะะมันต้องไปรอดในหนังหนาจิตเสื่อมเหมือนฟูนเหมือนไฟ มันเคยได้ความสงบเย็นสบายนันไม่ได้นโทษจริงๆนะวันทึ่ได้เขียนได้หลับนี่น่วัดกันลงถึงขนาดที่ว่าต้องฆ่าจิตเสี่องก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นอ่ะมันเข็ดมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหันต์โทนเลยมันบังคับกันเพราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นข้าหลังนี่วม่เอาถอยไม่ได้เผอไม่ได้ มันเท็บเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงมันเป็นยังไงมันพูดได้คนเรา <c oughs> เ, เราว่าพูดอย่างนี้ก็เราทําได้แค่ไหนแล้วมาพูดตามเรื่องเราก็ยังพูดได้อยู่ว่างไงจะพูดเรื่องกระยนี้เป็นเรื่องคิดความรู้ของจิตที่บริุนเป็นยังไงอย่างเี้คือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราพูดหนักมันสุดเอื้อมที่จะคาดแต่เราไม่มีอะไรถูกเลย มันไม่เป็นขึ้นใช้เองยังไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยรู้ๆอยู่นี่ยความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แหละแต่ความรู้นี่มันคลุกเข้าวกันจนไม่เห็นตัวรู้รู้อะลรเป็นรู้กิเลสเป็นรู้รู้รู้กิเลสรู้รู้เป็นรู้รู้เพื่อรักรู้เพื่อชังรู้เพื่อความรักรู้เพื่อความชังรู้เพื่อความโกรธรู้เพื่อความเกลียดไปนั่นแหะความรู้นี่มันไม่ใช่รู้โดยธรรมดาเข้ามันได้สักทีนี่ มันรู้ด้วยวิธีรู้ด้วยนั้นด้วยนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งมวลน่ะนั่นอยงนีมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงความรู้น okay. ั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเขาไปเชี่อผลเลยคือที่ว่าสมมติว่างั้นหน่อยนั่นบางครั้งมันเป็นให้เป็นอางนั้นมันก็เป็นอัธาศน์นี่จนเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการท้าเข้าหรือคู่เข้ากันอย่างที่เราพูดหรืออย่านี้รู้ไปด้วยนั้นรู้ไปด้วยนี้รู้ไปด้วยของเราทังน มันก็เป็นอาถรรพ์น่ะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นอาถรรพที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เนี่ยพอพีดจากนี้ไปแล้วจะให้ามาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์อืยย่นีหลมันไม่มีอะไรเหมือนแล้วแยกมาสู่สมมุติกถ้าบอกว่าได้แต่ความเลือ่อมความประสริฐนั้นแต่องค์ท่านเองท่า น, นท่านไม่ได้เสกหนาะ คือไม่มีอะไรที่จะพอดีพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นพูดงา่ายๆนะอ้าวพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือหาที่จะหนีนิดอะไรนั่นขาไม่ได้เลยื อ, อเป็นหลักธรรมชาติเองไม่ได้นี่เราที่มีกิเลสมันไม่เป็นนั้นนะพอปั้มเนี่ยมันจะมันจะมันจะวาดภาพแล้ว <c oughs> มันวาดภาพเครื่องเสือ ม, มันมีพร้อมเลยล่ะพอตันว่าอะไรปั้ม เรื่องบริสุทธิ์คงจะอย่างนั้นนี่และเอาลยนะปั๊บเลยผ่านนางปรามังสุขังนี่ผานนี่ก็อย่างนั้นอย่างนั้นผมเห็นในหนังสือก็แต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งก็ตามเป็นแม่ชีรขบเอาไปทูลแม่ังร่าให้ท่านให้ท่านเซ็นรับหัตท่านให้เหมือนเราเป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่ชีคนนี้ ท่าลาด น, น, นไม่เชื่จะให้ท่าหวงหยังอ่านมก็เหมือนรู้แล้วมันเหมือนบ้านีเชื่อรับรองบ้าใช่เชื่อได้อยู่ <laughs> นิพพานว่าถาถึงกลางเป็นอย่างนั้นนะถึงกลางเป็น <c oughs> อย่างนี้ะผมได้อ่านดูแล้วว่าถ่ถึงกลางนิพพานเป็นอย่างเป็นอ่โอ้นก่นกผู้ท่านรู้ ยุทธา น, นั้นก็ถือ่หลุดสองมือแม้แต่ผู้ยังไม่รู้ยุทธภานมันก็ขัดแล้วธรรมชาติขัดธรรมชาติแล้วทีนี้มันกะหาผลดีไม่ได้เจากหนังสืออย่างนั้นถ้าผู้ผู้ต่ําห่านนั่นจะเลยจะเป็นหลักนี่ก็หลักผิดซะหน่ะก็ผิดเองก็ไม่สร้างจะอะไรท่านผู้สูงเหมือนนั่นเราไม่เห็นความบ้าจากของคุณนั้นอีกซะหน่ะ ก็ไม่กล้าไว้จะว่าไงมันก็พูดได้แค่นั้นแหละว่าผ่าศูนย์กลางไม่ผ่านโอ้ผมในอ่านเองนะอ่านจนจบมันถึงได้กล้าพูดได้ที่เขียนเป็นแม่ทีไม่มีอะไรเหมือนหรืว่าโลกุตตรธรรความบือสุดธินี่มันจะหาที่ไหนทาเดินโบรานถ้าเา้าหานะ ท่านก็ไม่หามัจาา น, มานจะหาอะไรถ้าไม่หลงถ้านจหาเลยแล้วพูดพวกพวกเราพูดแบบความหลงใจ้ถ้าจะหาอะไรมาเทีย่ยงก็ไม่มีอะไรเหมือนเนยวางเลยมันจะไปหาเทียบอะไรนี่หาบ้าอะไรอีู่ว่าถ้นั่นแล้วยังหาอยู่มันจะหาอะไรมาเทีย่ยงมันก็บ้าอยู่นะเข้าใจไหมมันพร้อมแล้วทุอกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจะหาอะไรมามาเทีย่ยงเนี่ยแค่นั้น มีเท่านั้นเองผมพูดเมันตรงนี้ผมเัอ็อาจารย์ธุธเจ้าอยูอาจารย์จริงถึงใจเลยนะีนะมันต้องได้พูดอยู่ว่าหอยู่ไม่ไทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยธรรมชาตินี้ทำไมทรงไปรู้สิ่งเห่านี้ได้สักจนถึงขั้นจัตดาเอง่งจิตไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลย แล้วทรงรู้ใช่ทุกทุกท่านนั้นนำมาสอนมานี้ใครมีไหนที่ไหนวิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้ืมีศาสดาองค์เอกองค์เดียวเท่านั้นมาสอนพุทธศาสนาเรา น, นี่ถิ่นในตานาน้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเพียงอาผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันชัดเองชัดเจนเองเพราะความรู้ในภาคปฏิบัติพิสดารมากกว่ ในจำลาทัง้งกมดเหมือนกับว่าเอามาเป็นเป็นแนวเป็นแนวเป็นแนวเพืนน่อผู้ปฏิบัติแตกแข น, น, นงเลยทีไม่เคยรู้รู้ไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาอย่างงั้นเป็นขนนั้นแขนงนั้นขนแขนใหญ่ขนนั้นย่อยย่อยไปเรื่อยความละเอียดของจิตของธรรมขนาดนั้นล่างไง<ม>แล้วเอามาพูดได้หมดอสอนโลกแต่ท่้งการสอนที่ที่จุดจะเรื่อี้พอประมาณแปดหมื 4, ม่นสี่พมาตัมาขันไมไ่มากไมก่อะไรเลย Uen, ที่เป็นในวงปฏิบัติของกิิยจคิตตภาวนานเป็นในเช่นนี้เป็นในผู้ทีเจ้าเสือมนี่อง์ศาสดาที่เป็นต้นศาสนาเสื่อมเนี่ยจะกว้างขนาดไหนหรือขนานไหนฟังดิภูมิของเราพุทธวิสัยภูมิศาสดาอันนั้นมาแล้ก็เป็นสาวกวันนี้ยังว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนําแนววิธีการด้วยก่อน พอพอจับวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยลุกค่อยลามไปเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นไฟก็ดีความรูกก้ค่อยแตกขนังไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิ้นไปแล้วที่ความรู้แตกขนงไปยังไงยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็มันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธีต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่ลบนีปิดตัวหรือ ต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงนักชิบหายทำลาได้งไงหาไม่ทันขั้นนี้จะเป็นขั้นภาวนาเมญปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็วอือย่างให้ปริยัท่านก็แสดงไว้นะว่าภาวนาเมญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนะั่นท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้น มื่อไม่เป็นเราก็จะไปบรรยายนั่ยยังไงอย่างสุดตามะยะปัญญาคือปัญญานี่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยพอใครได้ใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจอินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านใจต่ อ, ต อ, ต อ, อนี้มันก็พอเข้าใจภาวนามะยะปัญญาสิดีไม่ดีเป็นลบทิ้งหมดเลยอ่าปราดสมัยปุตติวันนี้เป็นไปได้นะภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของสัตว์ของขีดของธรรมจริ ง, งตรงเนี่ย ที่จะขุดคนท่านได้ขึ้นมาทั้งหลกักแ ก, ก่หลักหอยภาวนาบรนลุปัญญาเป็ น, ป, นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงโดยตรงไม่ต้องบอกอ้อมเลยปัญญาประเภทนี้ฆ่าอย่างสะบั้นทันแล้เลยนี่อันนี้พูดไม่ได้ภาวนานที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช่ไม่ได้แล้วสมัยจีนวันไปกเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะที่ทําไม่เป็นพูดไม่ได้นะ ภาวนาเมย์ปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆก็ถูกยิ่งนี่ไม่มย์อันสําเร็จท่านเลยจากการภาวนาภาวนามนยะย์ปัญญาที่นี่มีแต่อ่านเฉยมีปัญญาเฉยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยจะเป็นทําด้วยคลื่อที่ล่าสมัยเป็นทํานอกแบบไปนะคือ น, นอกแบบนอกศาสนาไป ภาวนาเ ม, มื่อปัญญามันจะหาเรื่องว่าอุทลิมาเขียนยังไงไปอา้าวเบ็ดไปได้นะเพราะไ ม, ม่ปฏิบัติมันไม่รู้จริงมันไ ม, ม่ปฏิบตัติเรารู้ทเรียนจบไหน ก, ก็จบเพราะการที่เดก็จบเถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ภาวนาแลื่ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดเลยครับแต่พอรู้แล้วก็เปิดเผยที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนะั่นนี่ที่สําคัญนะภาวนาเมาาื่อปัญญา อันถึงย้อนไปรู้ไปหมดเนี่ยภาวนาไม่ยัายางยานคือปัญญาคิดข่ากิเลสคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นนุ่นนะปัญญาเหล่านั้นรวมไหลรวงเข้ามาสู่ปัญญานี้เป็นปัญญานี้พุ่งพุ่งพุ่งแล้วไม่ไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวซะด้วยนะความคล่อ ง, องแค ล, ล, ล่วแก้วกล้าว่องไวขนาดแหลมผมละเอียดรลอนไม่มีอะไรจะไปคานนาได้ของปัญญาอเอาเข็นนีท่านเขียนไหมใครจะไปเข็ยนในแบบนะ่ะ ก็บอกไว้เท่านั้นอย่นี้แบบอาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาทุนๆ<ม>เทนะ่านั้นภานาแล้ปัญญาปัญญาสา ม, มเวลาไปทาหน้าที่อย่างนนี้ น, นี่จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นอย่างไงโอ้ดอดานพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นมันยังเอานํามออกมาพูดไม่ถูกนะเพราะมันไม่ทันกับป๋านั่นมันไม่ เขาพูดถึงเรื่องความละเอียดแล้วอความรวดเร็วความคล่องแคล่วเอะไว้นี่เหตุผลจะไปจับไม่ทันเลยระหว่างอที่เลสกับทำกับปัญญาเพรนี้แก้กันแก้กันแก้กันคุยเขี่ยคุยก้นหากันนี่เหมือนกันแก้กันนีเหมือนกันเร็วขนาดนั้นวางมองไม่ทันถ้ามองถะาเป็นั่งมัวก็เรียกว่ามองไม่ทันนี่จะคอยตั้งหงายหงายถู่มออกนั่นเร็วขนาด มันปัญญาแชมเปี้ยนคล้องออกไปค้ณไปจนกลายเป็นมหากีมหาปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นยีกระดเวลาเป็นเองอยู่อนันจะว่างทานนี้เป็นอัตโนมตัติเป็นเองว่หงาหมุนไปเองไม่ต้องบังคับ้องด้วยนอกเหนนั้ น, น, นแล้วยังได้ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิด คือเพลินก็จะจืมหลับดืมนอนเราใช้ขันเป็นเครื่องมือกับเป็นของจัมรุดได้เหมือ น, น, นแม้จะลดดวนเราใช้กันนานเครื่องมันยังร้อนอย่างไรอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ใช้ ข, ขันตังนน้งแต่พักอธิบายไว้ในตําราก็มีถึงเวล า, าพักพักในสมาธิแล้วก็ออกพิจาณทางด้านปัญญาท่านบอกว่ชัดเจนนะเพราะอันนี้มันมีในหลักมิคาของ ประโยคสามนี้ด้วยนะพวกพวกมหาจิตต้องได้ผ่านทุกคนวิธีพักจิตวิธีออกพิจาราทางด้านธรรมดอาอย่างเรื่องความเหตุการณ์มันขึ้นกับจิตแล้วมันลืมไม่หมดนะจะพักไงต่อนอย่างที่ว่าจะพัก เ, ลเวลาตะลุมบอลได้ไงเนี่ยต้องพูดต้องพูดไปกันเถอะก็เวลากําลังชุลมุนตะลุมบอลกันอยู่นี่นจะไปพักได้ไงถ้าไม่อยากตายต้องไปพัก ก็ในกิเลสมันพักก็อยู่กับกิเลสไม่เหมือนตะลุมบอแล้วจะให้พักได้ไหมันจะว่างานนักคือมันเพลินอยู่หลอดเอาก็อยู่ตลอยแต่มันก็มีจุดที่ที่ว่าพักคือว่าพอเกิเยสตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างคิดเนี่ยธรรมชาติอันนี้ไม่ไว่างไม่ว่างตัวเองคือว่าอันนี้มันคุยเคี่ยหานั่นนั่นเราจะพักตอนนี้พักได้ ม่ให้มันไปม่ใมันคู่หยาเนี่ยวคืองานของกิจประเภทนี้มันไม่อยู่ยเฉยเวลาเวลาทำฆ่ากันได้แล้วอันนี้ฆ่ามันนีน่มันจะคู่ของมันเองบุดค้นของมันเองเนี่ยเราห้ามไม่ใช่ตอนพักเสียเนี่ยก็ได้ไี่เป็นไรแต่ถ้าเวลาท่านอธิบายถึงต้องสมสถะวิปัตนาเวลาพักเวลาออกคุยนานท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนาเมตตปัญญานนะ นุ่นมันประลับกันได้นุ่นตอนอุชะจารที่ท่านว่าสัญ ย, ยุบังบนพุ่นวิ่งสกันนุ่นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องธรรมะไิรปิฎกนาเวลาพักก็พักเวลาออกทางด้านปัญญาก็ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี้มันก็เป็นดนอย่างท่านว่าแล้เวลาพักก็พักคือพักพาวนาเข้าสู่ความสงบพักทางด้านปัญญาเวลาไปนุ่นด้านคือ มันไม่หาที่จุดกิพักมาได้หมุนที่หมดสิ่งที่จะให้แก้ในตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏมันก็คุ้ยเสียน้ำเป้งมันเองมันหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่น่ะถ้าพิเรนมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกลับกันจนได้แน่พอเจอกันภาพมันก็พังเนีลยมันพูดไม่ถูกเจอกันเจอยังไงนก็ไม่รู้ไม่เป็น จะนั่ออกมาพูดเหมือนบ้าคนหนึ่งแล้วพูดหนึ่งเหมือนบ้าเลยไปเจอแล้วพอพอมันเป็นกันดล้มันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่นแหละไม่ใช่หมดนะยอมรับเลยอ๋ออย่างนี้เองนะที่วาร่างเอาไว้นั่นคือมันจะเลยเถิดอุทจักคือนเพลินในการพิจารณาการต่อสู้เหมือนตระลมบอลนี้ก็จะให้พักไงตระลมบอนนั่งมวยกําลังฟาดกันอยู่ไยเป็นวงในด้วยนะ มันก็ไปจะไปใพักอย่งไเป็นหลานนั่นเลยเวลาคุยเกียวนีกับคุยหาน่ะนะพักตอนนั้นแต่วันนี้มนไมไ่ไม่พักเลียมมันเลยเถิดลังไม่ลืมนั่นเลยทีเอาพุโทโธไปมันก้าวไเวลานั้นกินไม่มีสมาธิคือมันเพลินทางปัญญาสมาธิ ม, มาเกี่ยวเลย เราจะว่ากินไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่ไม่มีสมาธินในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนอย่างทั่วไปมันไม่สนใจสมาธิเวลาเราจะุ่นเพื่อดัดึ้นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่าก็กินไม่มีสมาธิ น, นี่ว่าจออะไรมาปากักมีเแต่เพินได้เดียวนี่พอล้างเอาไว้ใส่กันตั้งโว้นหนักเนาะเหมือนกับมัมดกันเนี่ยไม่ให้มันออกมัดปัญญาไม่ใหนออกเอา ทำบริกรรมอัดเข้าไปพุทโธพุดโธเดีอาถีบยิบไปมันออกไม่งั้นม like ันจะนยคืองานนี kind of so ้ยังไม่เสร็จเหมือนกับว่าไอ้คู่ต่อสู้มันยืนจังกายเลยมามามันเหมือนกับมันมันสวดมือเหมือนมาตอนนี้ยังจะมาพักรับก็าวๆกได้ยังแล้วก็ดุดกันนี่มันจะรักยังองพุดโธพูทโธไปถีบยิบมันเผลอสติทั้งหลายเลยออก หมุนก็มาหาอันนี้หมดมาหาผูโตปัจจุบันไม่เผยพ่อเอาเข้ามานี่มันอยู่นี่แต่มันมันพอใจที่จะออกนู่นมากกว่าจะมาอยู่หนึ่งสิพอภาลงนี่เราแม่อันนี้ก็นทั้งันนะพอจิตสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดกึกนีเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามกําลังวางชาความสุขความสบายนี่โอ้โหมัมนซ่านไปทุกเส้นขนถ้าเราจะพูดเส้นขนนะ ไม่เลยพักมันจะตายอย่างนี้นั่นนะพักนี่พอถอยเพราะมันควรจัดการแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าระรามือมันก็ดีถึงเลยก็เขามันออกแล้วก็ดีถึงนี่ก็ซัดกันตุมนี่มันเหมือนกับว่ามีดที่รับหินแล้วน่ะนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายสบายแล้วเครื่องมือคือมีดเนี่ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาดไม่ท่อนนั้นแหละ แต่ก่อนไม่าไม่เศ้าเอาทั้งฉันลงเอาทางคงลงเอาทางข้างลงตีตูปตับตูต่างมันก็ไม่ขายทีกินไม่ได้พักเวลามาพักแล้วกําลังของกินมีเนี่ยออกก็ตุ่มกันเลยเหมือนก็มีดที่รับหินแล้วขาดเลยมันชัดในหัวใจไม่ลืมสิ่งนี้มันเป็นเป็นศาสนาธรรมพิจารณาเกีก็เรื่องอริยสัจเนี่ยอันนี้ก็เป็นมรรสพิจารณา เด็กก็เป็นชุ่งัยทยสัตว์จะไปลืมได้ยังไงทาเหล่า น, นี้ไม่แช่ทําจะลืมเพราะทาฝังลึกมากนี่เนะี่ยบางทีทำห้ผมคิดมันมั น, มนอดจิมไม่ได้นะ ม, นมันจะมีไม่มีแล้วก็กับยกไว้ประเภทหนึ่งเกียกว่าภาวนาแ ม, ม่ปัญญาเนี่ถ้ามีแต่เรียนล้วนๆจำมาเรียนจามาจากเรียนล้วนๆ ดีไม่ดีจะเห็นว่าภาวนาวนิญปัญญานี่เป็นธรรมงอกแบบไม่มีในพุทธศาสนาจะว่าไปไม่ก็นคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางส ม, งสมองสมองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่านี้นี่จะสมองสมองเป็นอย่างที่ว่าอย่างนี้ยมทางด้านภาวนาไม่ได้ออกสมองเลยนี่มีเราเนี่ยค้านเหมือนกับว่าค้านเหมือนกันแต่พูดตามความจริงนะถ้าเป็นความจําขึ้นสมองหรอือย่างเี้ยถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติ ความสงบสมถะอุปัตนานแล้วจะลงในนี่หมดเลยนักก็มันเป็นอย่างนั้นนี่จะให้ว่างไงนั่นี่เศษบราโบคือขอพูดเต็มปากเถอว่างนี่เลยเหมือ น, นเป็นนี้จะให้พูดว่างไงอ่านหามที่จะพูดทีก็ความจริงทํำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมมันยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้เหรอสงบมันก็อย่างนี่สงบม้างน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดนมันนี่เห็นไม่หนีอยู่ตรงกลางนี่มันไม่ได้มาอยู่นี่ ปัญญาหมุนติ้วติ้ทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจกักมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนมนู่ี่มันเห็นอยู่กัฉันจะให้พูดไปยังไงก็จะไ่ไหมว่าสมองไรเนี่ทีนี้เวลาเรียนเรียนหนังสือเรียนจะให้มันจดมัน จ, จําจนกระทั่งสมองถือนี่มันก็รู้อยู่สมองไม่ทํางานให้ไม่จําให้มันก็เห็นอยู่บางเวลามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่สมาธิคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่อยู่ น, นี่เห็นเด่นอยู่นี่สงบแน่วห่างใสสะอาดโอ้ยพูดไม่ถูกล่ะ มันก็อยู่นี่จน ถ, ถึงขั้นปัญญาแผ่วพาวแผวพาวแผ่วพาวส่งออกส่งออกอนั้นเหมือนแตะเกียงเจ้าพยุอย่างที่ว่านะร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับแก้วครอบจิตดวงที่มันสว่างากระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเกียงเจ้าพยุมันส่งจ้ากมาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้ามันอยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนเห็นชัดขนาดนั้นก็จะไม่พูดได้ยังไงจะาบ้าก็ว่าไปที อย่านี้จะว่าเราอ้วนล้วอยู่ใครจะว่าก็ว่าปเอ๊ะนี่คนดีคนเราไมด้อ้วนเราพูดต่มันเป็นไปเป็นว่าเราเป็นอย่างนี้่างไรหรือเขาจะมาเป็นป้าอีกเนี่ยมันอาหันต์นริงเป็นโอะมันอัศจรรย์จริงเวลาสว่างกระจ่างแจ้งเจ้าของเองอัศจรรย์เจ้าของที่ผมเล่าให้ฟังหน้าที่ว่าโอ้โหจิตทำไทั้งได้สว่างกระจ่างแจ้งขนาดนี้อาศจรรย์ขนาดนี้ แปลกอยู่น่าล่ะพระทําทั้งเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะ น, นั่นะดูสินี่หละคือว่าอวิชชาฟังสิขนาดไหนอ๋อก็อย่อยอยขนาดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมก็ถามฉันว่าโอภาท์อะไรโออะไ ร, อะไรโอว่ากี่เดือที่หกแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมขั้นนั้นเนี่ย ก, ก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัตรจักร ทำให้หลงใหเผลอนในขนานั้นเจนอัศจรรย์ฟังสิอ้าวก็บ่เวลาอันนั้นผ่านไปแล้วอันนี้มันไม่มีนี่อันที่ว่าอืแหมปอดตรงนี้จะมาทำอัศจรรย์หนักอันนมันบนรรลัยไปแล้วกันหมดแล้วสิ่งที่ที่เมนะมันเล็วกว่านี้จะขนาดไหนมันก็ยิ่งเท่าอันนี้ยิ่งเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งที่ประกอบแก้วด้วครอบทองคําทั้งแท่งไว้อย่างเนี้ปิดไว้อย่างเนี้ยนั่นเท่าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้ก็กบเป็นอีกอย่างนึ่ง แล้วก็อันนี้มันอัศาจรรย์ที่ขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลงตรองเพลินโอโอจินทำไมถึงได้อาัศาจรรย์นี้ขนาดนี้ผ่องใสสว่างกระจ่างแจ้งที่ขนาดนี้เท่ยวั้นะนั่นนะไม่หลงไม่ติดมันจะไปอัศาจรรย์เหร อ, อ น, นี่ออันหนึ่งทำทั้งกับเปื่อนที่กลัวเจ้าเราจะหลงจะติดนะพูดง่ายๆทาขั้นกับเพื่อนขึ้นมาเพ่ขึ้นมาตรงนี้ก็กาหนดอยู่เพืเดี๋ยวก็เผยขึ้นมา คำว่าจุดว่าต่อมแห่งภูรู้อยู่ที่ไหนว่าหนินั่นแหละคือตัวพวกโอ้โหจะมาถูกดิษณะ น, ะนี่เองมันก็ไม่ลืมคําว่าจุดว่าต่อมแห่งภูรู้อยู่อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบ ก, ก็ต่อมก็จุดภูรู้จุดเด่นนในจุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างนี่มันเป็นเหมือนตะเกียงใจพยุรรพุไสตะเกียงเราเห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมาก็นั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างเห็นดิเด่นเด่นฮเวลา อันนี้มันพังไปหมดแล้วไม่มีอันที่ว่าจุดมังเนี่ยจุดสว่างไม่มีแต่ที่อันหนึ่งที่ที่ที่ถูกกว่านี้ค้อไว้อย่างที่ที่เราว่าอันอันอัจรรย์เนี่ยข้อไว้นล้อันนั่นคืออะไรไปเอ้าอีละที่นี่มันมันการมาเห็นนี่เป็นกองขี้ฟวายไปได้นั่นฟังซิมันขนาดไหนอันหนึ่งจนกระทั่งนี้เหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มตินเต้นอุทานโอ้โหโอ้โหนั่น หลงมาสัขนาดหนักนั่นโอ้โหในขณะเดียวกันกับอัศจรรย์นันนั่นไงมันหลงอันนี้ก็หลงขนาดหนักนี่ก็น้าทุเยศอีกนลยอัศจรรย์นั่นที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทั้งสองไม่ขึ้นอุทานคนละด้านอุทานของความหลงนี่ก็หลงเพีกนาจไปเสกขี้กองขี้ควายว่าเป็นของอัศจรรย์นั่นพออันนี้ผ่านลงไปแล้วโอ้โหนกองอัศจรรย์อยู่ตรงนี้เนี่ย ก็ไปอย่างนั้นอี่ว่าอาจารย์อุทิจเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออกเปิดออกเปิดออกรู้เองรวดเร็วซะด้วยนั่นแนละในคืนวันเดียวเลยทั้งสมถะปัญนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องธรรมรุ่นๆนๆนๆนๆสมถะปัญนาของผู้จะเป็นคิดปัญญาเป็นไปด้วยกันเร็วพฟ่องๆฟ้องๆเลย อยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี่ล้วนๆแต่ ก, ก่อนพระองค์ก็สงบอยู่แล้วนี่แล้วนั่นเป็นภาะสวรรค์กำลังท่า น, น, นอยู่ด้วยนะไม่มีกําลังอะไรทางร่างกายที่จะต้านทานนะรพระทรงอดพระกระหารมาตั้งหลายวันมาแล้วนั่นพอสวยการอนุญาตากท่านมีกําลังขึ้นมาจากท่านกําลังนี้ก็จริงพอดีพอดี ถ้าศีรษะท่านก็กำลังอ่อนอยู่ไม่มีกำลังทางจะเป็นเครื่องเสือมยิม่งเดือดแมจะนิดหนึ่งเลยอะพอก้าทางถูงนี้มันก็ผึ่งเลยทำให้ชีวิตมนมดแหละไม่ใช่วา่าบ้าวบอกว่าตคืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดทหารของเราเพราะอดลงไปวันไปนี้าานการร่างกายนี่ซี่งเป็นเครื่องมือยิ่งเดืดมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเครื่อ ง, ง, ง, งมือก็ขาดเครื่องมืก็ขาดเครื่องมือที่คือใช้ให้ทันใจได้อย่างใจเลย นี่ทำมันก็ก้าขึ้นได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงโอ้ข้าโอ้ย้าท่ท่านทรงอดวยหันข้ท่งงทงงทงงทานทรงบำเพ็ญทางคิดแต่ภาวนาในขณะนั้นยังไงกว่าเนี่ยเนี่ยมันจะไปไั้นางกว่า น, นั้นไปได้อย่างรวดเร็วคุณยังไงเ น, นี่ยนั่นก็คิดอดคิดไปไมไ่ได้เนะ่ยแต่นี่ท่านทาสักอย่างเดียวหวังความตัดสินใจจากการอดอยาหานอย่างเดียวมันจึงไม่เป็นไม่ว่าท่านเราเราอวยหานที่ เราไม่ภาวนาเนี่ยก็ไม่เป็นท่าอะไรนี่ยต่นี้มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรจิตตภาวนาถ้ามันจะช่วยกันสนุกสนุกกันให้เห็นทัดทัดทัดใจทัเวลาเรามันจะตายจริงนะมันจะไปไม่รอดนี่เดิมมีกระบะนี่จะได้กําหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงหนาดันั้นบางทีเราแล้วเทนี้กินมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยร่างกายมันจะตาย แต่จิตมันมันมันเป็นอีปแบบหนึ่งเหมือนจะฮ่อเฮือเดินฟ้านั่นมันไม่อยากฉันยิตน่ะถ้าฉันแล้วมันไม่ไม่เป็นอย่างนี้ห่างนั้นนะพูดง่านอันนี้มันวิเศษวิโสมันนั่นภาษาเข้าเหมือนอย่างนั้นน่ะแต่นี่ข้าวมันก็เป็นของกำกเป็นสำหรับร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือสาหรับที่จะบำเพ็ญธรรมเน่ยมันก็แยกกันไม่ออกเลยก็จาจําเป็นต้องไปนี่มันเห็นได้ชัดอย่างนี้นะระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บำเพ็ญทางจับ กิจตภาวนาไปด้วยกันมันเห็นแต่ชัดทั้งสองอย่างอานาจของจิตมันก็เป็นอย่างนั้ดถึงถึงไม่มีคำว่าอ่อนมันยิ่งดีดคําสว่างกระจ่างแจ้งก็ยิ่งแสดงเต็มที่เต็มฐานร่างกายก็ยิ่งอ่อนลงไปนี่ถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแน่นาเรื่องมัน่ะมันก็เทียงกันดวยย่งมันอันนี้ผมไม่ลืมนะกิเลมันโผล่ขึ้นมานะ อันนี้ผมผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามิจูมีตอนรรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวมันท่านกลัวหลงถ้าทำท่านเตือนให้ดูสุงนั้น่ะพูดง่ายมิจูมีตรบอกดูตรงนั้ น, นะ น, น, น, น, นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ปังนะั้นแล้วมันน่าจะไปได้แตนน่แบ่นู้นนี่ใครสอนเป็นที่นี้นะ ล, นะลําบากนะท่านก็จะใส่เปี้ยกงงงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีขาดจะ บ, บ้านไปเลย เหนี่ยไม่รู้งั้นเลย ง, งงไปหมดเหมืมอนไก่ตาแตกเขนว่ะอันนี้ดียาแล้วเราว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อเปดเี้ยนเรื่องใจมันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นมีองนานมากมีลิ์ทาแต่งนานงภาพมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารมาันคุยง่าย อย่นี้มันก็พอกินแล้วแต่ทีนี้มันจะไปไหมตลอดที่ถ้าไม่กินธาตุขันมันไปไม่ตลอดเ้วจะทำไงเพราเป็นเครื่องมือเพื่อขัาควาเพียรอันนี้ก็จะไปได้ยังไงเน่มันต้องสุดทีนี้เออเออลืมก็มาวเล็กได้ที่ว่าอันนี้ก็โผเหมือนกันว่นี่เห็นไหมว่าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลส ท่านอดข้าวเพื่อจะค่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายเท่านจะตายก่อนเห็นไหมแหยวมันขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นเนี่ยขึ้นเราไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไม่ได้คิดอะไรเลยมันมันผุดผุดผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านะนั่นแหละเรียกว่าทําผุดถ้าไม่มีมีต่างรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบผุดขึ้นมาปุ่งปุพอเสียจแล้วเงียบไปอันนี้ก็เหมือนกันผุดขึ้นมาเพราะว่าโดยที่เราไม่ค่ามันฝันไม่เลยนะนี่ท่านเห็นไหม ท่านอดฆ่าจะค่ากิเแต่เวลานี่กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมว่านี่นะนี่มันจะแก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้อ้าวก็กินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจะอดก็ไมเห็นที่เสพวิโสอะไรจะอดเป็นคนนี้จะตายก็ตายไปสินานมันแก้กันกําลังของกีจก็ไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายกังกีเด็สมันหลอกอ้าวจะตายก็ตายไปสิอดให้เพียงตัวนี้ก็จะตายก็ตายไปสิเคยกินมาตั้งแต่วันเกิดมันก็ตั้งถึง บันนี้ก็ไม่เห็นมี่เสียที่โสอะไรโอดเจียงเท่านี้จะตายก็ตายสิเนี่ยมันแก้บ้ปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิมนารักทุกตัวเลยนะแล้น้ำแบลน้ำแบบเอาละเห็นไมเอาละ